อธิบายธรรมะให้ท่านูมาศึกษาอบอรมทั้งหลายเพื่อเข้าใจธรรมศาสตร์นธรรมเป็นริยาของธรรมแท้ที่แสดงออกจาก พระโอษ์และพระไทยของพระพุทธเจ้ารมแท่นั้นสัมผัสรับรู้ได้ที่จิตอาการของธรรมสัมผัสรับรู้ได้ทางหูทางตา ที่พระพุทธเจา้าท่านทรงแสดงนั้นนำอาการของธรรมจากพระองค์เองออกสู่โลกเพื่อจะได้ตามอาการที่แสดงแล้วนั้นเข้าไปถึงธรรมซึ่งจะรับทราบกันที่ใจ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอันเป็นบนนรรลกถึงพระพุทธเจ้าในสามการคือการตัดสรุปการประสู寿ดังได้อธิบายแล้วเมื่อเช้านี้การตัดสรุ้การป ร, รินิพานมีสามการด้วยกัน ท่านที่มาศึกษาอบรมได้เข้าใจพิธีการดังที่ได้นำทำในวันนี้แต่ไม่ถือเป็นจิจะวัดจะจำไปทุกทุ ก, ท, กทุกปีตามแต่โอกาสหรือธาตุขันจะอำนวยวันนี้เห็นว่า มีหลายท่านหลายองค์ที่มาจากที่ต่างๆน่อจะได้ทราบวิธีทางศาสนาที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาในทางฝ่ายวิปัสสนาทุระในถือไปเป็นคติตัวอย่างในการต่อไป การอุบัติของพระพุทธเจ้าในเบื้องตน้นก็ทรงอุบัติด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับรเราท่านท่านเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสด้วยกันึงเรียวกว่าเกิดในท่ามกลางแห่งกองทุกข์เพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อทุกข์ผลของกิเลสทําให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปกายหญิงชาย มนุษย์สัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นออกมาเป็นผลออกมาจากเชื้อซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าก็ทรงอุบัติขึ้นมาแบบเดียวกันกับโลกตัวทั่วไปแต่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ตามความปรารถนาอีจะเป็นศาสดา สั่งสอนโลกแล้วได้ทรงสเสด็จระได้สเสด็จออกทรงพระมุกโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดคอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนเลยแต่หากเป็นหลักธรรมชาติเป็นเครื่องเตือนพระองค์เองในเวลาสเสด็จพอดพระเนตรพระนคร ไปวาระหนึ่งพบเด็กพึ่งคลอดใหม่ๆเกิดใหม่ๆก็เป็นธรรมเครื่องสอนพระองค์โดยพิจารณาถึงเรื่องที่เด็กพึ่งคลอดพึ่งเกิดใหม่ๆเป็นลักษณะอย่างนั้นมีกิริยาอาการอย่างนั้นจากนั้นก็ไปเจอคนแก่แสดงขึ้นมา คนเก็บคนไข้คนตายสแสดงขึ้นมาโดยลำดับสเสด็จไปแต่และ ว, วันละ ว, วันนี้ได้สิ่งเตือนพระไทยมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในทรงพบเห็นคนตายก็ไปยิง่งเป็นเรื่องเตือนพระไทยให้หนักแน่นเข้าไปอีกในการคิดอ่านแต่จรองที่จะหาทางหลีกเว้น ในสิ่งเหล่านี้และมีความมั่นพระทัยในการที่จะเสด็จออกบวชตามเพศแห่งสมณะแล้วได้ทรงเสด็จได้ทรงผนวดจริงๆผมทำความขรนขวาอยู่เต็มสติกำลังความสามารถ นี่ขอสรุปเอาเลยจนได้ตรัสรู้ธรรมคําว่าตรัสรู้ธรรมนั้นได้ถ้าหากเราจะพูดเป็นกิยาอาการให้เห็นให้โลกได้เข้าใจอย่างชัดเจนก็คือวเจอธรรมเช่นอย่างเราไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของมีอยู่แล้วถึงจะไปพบไปเห็นได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีอยู่แล้วก็ไม่มีทางไ ม, ม่มีโอกาสที่จะพบเห็นได้เลยนี่ธรรมก็เป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิม เป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้สามารถที่จะเ่อสาแวงให้พบธรรมนั้นเท่านั้นจึงเป็นเหมือนกับธรรมไม่มีในโลกเช่นเดียวกับวัตถุแร่ธาตุต่างๆซึ่งไม่มีผู้ไม่มีความสามารถจะรดตู้ในสิ่งเหล่านี้จะเหยียบย่าไปมาอยู่ก็เป็นเหมือนกับแร่ธาตุที่มีสาระคุณแต่และอย่างและอย่างนั้นว่าเป็นของมีอยู่ในโลกในแผ่นดินแต่เมื่อผู้ มีความฉลาดสามารถแล้วย่อมจะทราบได้ย่อมทราบได้ชัดว่ามีแร่ธาตุต่างๆที่จะนํามาทําประโยชน์ดได้มากมายนีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็ต้องทรงค้นพบพระธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันทรงทําหลายวิธีเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางเดินเพื่อพระองค์ด้วยเพื่อสัตว์ทั้งหลายด้วย โดยไม่มีครูเมียอาจารย์ใดที่มาแนะนำพร่ำสอนให้ถูกทางพอที่จะได้พบได้เห็นทำนั้นตามพระประสงค์อย่างรวดเร็วจึงต้องใช้ความตะเกียบตะกายอุตสาห์พยายามทุกแน่ทุกมุมเึงได้ตรัสรู้ทำขึ้นมาเพราะดำเนินในทางที่ถูกในคืนวันนั้นทรงจเจริญอนาปานสติ ซึ่งพระองค์ะระลึกย้อนหลังในคราวที่เสด็จแลกนาขวานกับพระราชาบิดาทรงทาความสงบอารมณ์อยู่ในร่มไม้ปรากฏเป็นความสงบเย็นแต่ในคราวที่ทรงพระเยว่เองได้หวนระลึกย้อนหลังไปถึงการกระทานั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นปัจจุบันนธรรมได้แก่เจริญอาานามปาณสติเช่นเดียวกับ ข้าวที่เสด็จแรกนาะขวานนั้นเมื่อเบื้องตน้นอยู่ปฐมมยามคือตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงสี่ทุ่มนี่เรียกว่าปฐมมยามกรรบันลุบุเพนิวาสานุสติญาณเลือกชาติย้อนหลังได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมีความทุกข์ความลำบากยากเย็นเ็งใจ หรือความสุขความสบายอย่างไรบ้างในภพชาตินั้นๆก็สามารถระลึกย้อนหลังไปได้มากมายเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณชงบรรลุรู้ในความเป็นมาของพระองค์มัชิมายามก็ชงบรรลุจตุ ป, ปาตญาณ ในการทรงทราบความเกิดระดับความจุติคือความเคลื่อนจากที่นี่ก็ไปเกิดที่นั่นของสัตว์ต่างๆทั่วโลกดินแดนหาประมาณไม่ได้มีเรียกว่าจตุ ป, ปาตยานพอถึงปัจฉิมยามนับแต่ปีสามไปถึงสว่างเรียกปัจฉิมยามเป็นยามสุดท้าย ก็จะตรัสรู้พระนุตรสัมมาสัมปธทญาติรู้แจ้งแทงตลอดในเยยยธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะทรงรู้ทรงเห็นได้รู้แจ้งแทงตลอดขึ้นในปัฏิมยามของคืนวันเดือนหกเพนเช่นเช่นวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นความอัศจรรย์ในธรรม ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในพระไทนั้นจนถึงกับทำให้เกิดความค้นขวายน้อยว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่ประเสริฐเป็นธรรมที่อัศจรรย์สุดวิชิตจงเห็นว่าสุดวิสัยที่มนุษย์ทั้งหลายหรือใครๆก็ตามจะสามารถรู้ได้เห็นได้เหมือนอย่างที่พระองค์เป็นอยู่ในขนาะนั้น จึงทาให้เกิดความค้นขวายน้อยไม่อยากแนะนําสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเป็นสิ่งที่สูญพิสัยนี่ทรงปรากฏขึ้นในขณะที่ตรัสรู้ที่แรกยังยังไม่รงพินิษฐพิกงนานย้อนหน้าย้อนหลังให้กว้างขวางไปถึงเหตุอันจะทําให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาแต่เมื่อทรงระลึกย้อนลงไปไปถึงปฏิบัติคาเครื่องนําเนิน อันเป็นสายทางเดินเข้ามาสู่ความอัศจรรย์นี้ก็ทรงทราบได้ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายจะสามารถรู้ได้เช่นเดียวกับเราซึ่งมีการนาเนินเดินเข้ามาเหมือนกับเราเดินทางการเจริญอนาปาณสตินั้นเป็นทางที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งควรจะได้บรรลุธรรมตามพระประสงค์ เมื่อได้นำอุบายแห่งธรรมตั้งหลายเหล่านี้ออกแนะนําสั่งสอนโลกจึงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพระองค์ก็สามารถที่จะรู้ได้และมนุษย์นั้นมีหลายประเภทอุคติตันยูประเภทที่มีความฉลาดแหลมคมอุเบกสายสามารถพร้อมที่จะรู้อัดรู้ทำอย่างรวดเร็วประเภทหนะึ่งอุคติตันยูนี่เป็นประเภทแรก วิปจิตันอยู่เป็นประเภทรองกันมาโดยลำดับเมื่อได้ฟังเหตุฟังผลเป็นเครื่องเทียบเทียงให้เป็นที่ลงใจได้แล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วรองกันลงมากับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเนยยะพอที่จะฉุดจาร่าจะเข็นกันไปได้เมื่อได้ทำความอุสาพยายามทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายแนะนำอบรมสั่งสอนแล้วฝ่ายผู้ผู้ป ฏ, ป ฏ, ปฏิบัติตามเช่นเราท่านท่านนี้เราสามารถรู้ทําทั้งหลายนั้นได้ประเภทที่สี่ปัฏฐะประมะคือประเภทที่มืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิยาบททุกการทุกสถานที่ทุกเวลาเวลาหาความแย้มออกมาพอจะรู้บุญรู้บาป รู้สึกรู้โทษนรกสวรรค์บ้างไม่มีเลยจิตใจเป็นสัตว์ไปหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์ที่ทรงตัวอยู่เหมือนมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นแต่กิริยาอาการแห่งความเป็นไปตลอดความรู้สึกซึ่งออกมาจากจิตใจนั้นเป็นสัตว์ไปทั้งทั้งมวลไม่มีความรลึกใดที่จะรู้ว่าบุญว่าบาปว่าคุณว่าโทษว่าสูงว่าต่ํานรกสวรรค์ ไม่มีในความรู้สึกนั้นเลยีประเภทนี้เรียกว่าประเภทปะทะประมะมืดบอดตลอดเวลาถ้าเป็นไข้คนไข้ก็เดียวประเภทที่หมอและยุกยานัททั้งหลายไม่สามารถที่จะบำบัดรักษาให้หายได้แล้วอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทางเดียวคือเข้าคือเข้าห้อง รอเวลาได้แก่ห้องไอซูเท่านั้นพอที่จะนับคนประเภทคนไข้ประเภทนั้นได้นี่คนประเภทที่ประทาประมะก็เป็นประเภทที่ไอซเหมือนกันไม่มีธรรมบทใดบาทใดพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสามารถสอนเขาได้ในเวลาเช่นนั้นเพราะมืดบอดที่สุดแล้วนั่งเหลือตลมหายใจ ตาลงไปก็จมไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีสำหรับบุคคลนั้นเพราะความรู้สึกนึกคิดไม่ได้กระเดียดไปทางให้รู้ว่าบุญมาบาปนรกสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างพอที่จะได้ตะเกียกตะกายดีกเว้นและบําเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อผลอันพึงหวังและให้เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีเว้นนั้นให้ห่างไกลาจากตนไปโดยลําดับคนนี้จึงเรียกว่า ตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปเกิดมาก็เกิดมาด้วยความมืดบอดแล้วมืดบอดตลอดกระทั่งวันตายก็มืดไปอีกเนี่เป็นประเภทที่หมดหลังถ้าองค์ทรงสาทรงสแสดงหรือประธานรรมไว้สำหรับคนสามประเภทเท่านั้นประเภทที่สี่เรียกว่าหมด ทางที่จะเยียวยารักษาโดยประการ ใ, ใดให้หายจากความเป็นอยู่ดั้งเดิมของเขาได้เนี่ประเภทหมดหวังในสามประเภทนี้อยู่ในใครายแห่งพระยาณของพระองค์และพระอุวาทของพระองค์ที่จะแนะนำร้ามสอนไปได้เราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทปทะประมาเป็นประเภทที่อยู่ ในความพอเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติตนรู้บุญรู้บาปเคารพนับถือประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความโวมใสรือว่าจิตใจของเราชุ่มเย็นไปด้วยคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบำเพ็ญตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมรื่อยมายังชื่อว่าเราไม่ขาดปราศจากที่พึง แม้พระพุทธเจ้าจะปริพาันธา์นานไปกับเพียงไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการเป็นเพียงสมมุติเป็นไปตามการตามสถานที่เช่นปริพันธ์มาได้ 2,500 ปีแล้วนั้นเป็นการเป็นเวลาที่คาดกันไม่บอกกันไม่ตามกําหนดเท่านั้นสถานที่เช่นอินเดียเมืองกุจินาราเป็นต้นปริพานธ์ที่นั่นอันนั้นเป็นอาการของ พระริญละของพระองค์ที่ทนอยู่ไม่ได้พอถึงวาระแปดสิบปีอันเป็นการสมบูรณ์แห่งธาตุที่จะไปไม่ไหวแล้วก็ปล่อยวางลงที่สถานที่นั้นเวลานั้นนับจากนั้นมาถึงเวลานี้ได้สองพันห้าร้อยกว่าปีนี่เป็นการของสมมตุติคือธาตุขันพูดไปตามเรื่องของธาตุของขัน ส่วนธรรมหรือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเพราะไม่ใช่การธรรมนั้นความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่สิ่งใดในบรรดาสมมุติทั้งมวลจึงสิ่งเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นธรรมทั้งดวงอยู่เช่นนั้น ตลอดไปเราทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดเวลาใดเป็นอันถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเองเพราะธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ตามพระธรรมก็ตา ม, พ ร, ร ม, ตามพระสงฆ์ก็ตามรวมลงแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวและสามารถที่จะรับรู้ธรรมเหล่านี้ได้ด้วยใจเท่านั้น ตาไม่ไม่ใช่วิสัยของตาไม่ใช่วิสัยของหูไม่ใช่วิสัยของจมูกของเลี้นของกายที่จะประับทราบธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นซึ่งอาศัยสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องมือพาบุกเบิกพาดําเนินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวจะเป็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายตามความมุ่งหมายของธรรมที่ พระองค์แสดงไว้นั่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติมีด้วยความจงรักภักดีในอัตในธรรมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเป็นเหมือนได้เข้าเฝ้าหรือสัมผัสสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักตายตัวไม่มีคำว่าการสถานที่เว ล, เวลา และเลิกเมื่อไรได้เมื่อไรเมื่อนั้นเพราะทำกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเท่านั้นที่จะสัมผัสรั บ, รบทราบธรบรมทุกประเภทคือทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงยมุตติธรรมมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นที่จะรับสัมผัสสัมผัสและเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นการพุทธปฏิบัตินี่คือการปรับปรุงจิตใจของเรา เห็นการทาบุญให้ทานรักษาสิงขรนานด้วนแล้วแต่เป็นการปรับปรุงจิตใจของเราให้เหมาะสมกับทําขั้นนั้นๆเรื่อยไปจนกระทั่จนกระทั่งถึงขั้นที่สมบูรณ์พูนผลเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านได้ตรัสรู้และบรรลุถึงความมุ่งหมายเต็มภูมิมาแล้วและได้เป็นสานาของพวกเราทั้งหลายอยู่เวลานี้ เฉพาะอย่างยิ่งท่านนักบวชและนักปฏิบัติทั้งหลายที่ออกมาจากสุนต่างๆพึงคำานึงถึงประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสงค์สาวกท่านซึ่งเป็นสาระวามพวกเราว่าท่านดำเนินอย่างไรถือหละอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของใจฝังลงให้ลึกภายจในจิตใจอย่าให้เอ็นเอียงอยู่ในสถานที่ใดให้มีข้อวัดปฏิบัติมีสติมีปัญญาพิจารณาใก่้ควนตนอยู่เสมอ เพื่อรักษาภัยที่จะเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับใจแต่พราะอย่างยิ่งก็คือใจนั้นเองเป็นตัวขนองมีความปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลอกตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราตื่นเงาคือความคิดความรู้สึกของเราเองไม่ใช่ตื่นที่ไหนตื่นที่นี่หลงก็หลงเงาที่นี่ตื่นก็นี่ดีก็ดีใจกับอารมณ์ของตัวเองเสียใจกับอารมณ์ของตัวเองโดยที่สิ่งอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากเรื่องของความคิดปรุง ความสาคัญมั่นหมายที่เกิดขึ้นจากใจเพราะอำนาจแห่งสมุทัยคือตัวกิเลสผลัดดันออกมาหลอกเราสิงเหล่านี้เคยหลอกามานานแล้วเราไม่เคยมีความอิ่มพอกับความหลอกลวงทั้งหลายเหล่านี้ยิงเรียกว่าเราไม่เคยอิ่มพอนกิเลสเพราะคนมายาของมันทุกชิ้นทุกอันเป็นสิ่งที่เราพอใจทั้งนั้นเมื่อทำยังไม่เข้าถึงในขั้นใดของกิเลส ประเภทใดก็ยังไม่เห็นโทษกิเลสประเภทนั้นนั้นฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมเข้าไปโดยลําดับเพื่อจะมีกําลังให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่เป็นโทษอันเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นไปโดยลําดับลำดับยิ้สมาธิมันไม่สงบเป็นพระอะไรจึงไม่สงบเราจะไปตําหนิ ด, ดินฟ้าอากาศ วันคืนปีเดือนสถ า, านเทนั้นสถ า, านเทนี้เป็นอันว่าผิดไปโดยลำดับเราต้องจอความรู้สึกของเราเข้าสู่ตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนั่นแหละเป็นผู้พาให้ไม่สงบเป็นผู้ก่อควนไม่ใช่สิ่งอื่นใดก่อขวนสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสนั่นแหละกวนทักดันออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนผู้หลงก็หลงทั้งวันทั้งคืน หลมกันอยู่เช่นนั้นจึงหาความสงบไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยทำอันเป็นภาคพื้นก่อนที่จิตยังไม่ได้รากใต่ฐานพอเป็นตัวของตัวให้เป็นที่พื้นเพีาศัยของตัวได้หลันทึงสอนให้อาศัยบทธรรมบทใดก็ตามที่เหมาะสมกับจริษณ์นิสัยของตนเช่นอนาปานสะติกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตามแต่ความเหมาะสมหรือความแยบคายของผู้นั้น จะเห็นว่าเหมาะสมในอนาปาณาสติประเภทใดเช่นกำหนดลมหายใจเข้าไปก็ให้รู้ตามเข้าไปออกมาก็รู้ตามออกมาอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือกำหนดเฉพาะลมที่สัมผัสจุดใดมากเช่นปลายจมูกหรือดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนตั้งความรู้ไว้ที่ ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกตรงนั้นด้วยความมีสติไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาแต่ให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยลาดับในขณะที่กำหนดลมเข้าลมลมหายใจเข้าออกนี่ประกันหรือถ้าไม่สนิทใจไม่แน่ใจเราจะตามด้วยพุทธโถตามลมนั้นด้วยพุทธโถก็ได้หรือตามลมด้วยบทบริกรรมคาใดก็ตาพุทธเข้าโทออกหรือพุธ หรือลมเข้าก็พุทธโธลมออกก็พุทธโธก็ได้นั่นอันนี้เพื่อเป็นความสนิทใจเจ้เจ้าของเอาหลายกําลังเข้ามาช่วยถ้ า, ากเราเป็นที่สนิทใจแล้วในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราก็ยึดเอานั้นเลยด้วยความด้วยความมีสติการกําหนดลมเราไม่ได้หมายจะเอาลมการกําหนดคําบริกรรมคําใดก็ตามไม่ได้หมายจะเอานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นมรรคเป็นผลจริงๆแต่อาศัยอารมณ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องยึดของใจผูกมัดใจไว้ที่นั่นด้วยสติการบริกรรมภาวนาทุกบททุกบาทมีลมหายใจเป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราตามรอยโคโค่เราไปปล่อยที่นั่นเมื่อจะไป เชาะแสดงหาที่ไหนก็ไม่เป็นที่แน่ใจเด้งไปสู่จุดที่เราปล่อยโคนั้นแล้วตามรอยมันจากที่นั้นไปมันไปไหนก็ตามรอยมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อถึงตัวโคแล้วการรอยที่เราติดตามไปนั้นก็ไม่มีความจําเป็นอะไรในขณะที่ทบตัวโคแล้วเพราะโคกับรอยของโคอยู่ด้วยกันนี่การกําหนดลมเราก็ไม่ได้หมายว่าจะเอาลม แต่ลมเป็นร่องรอยอันหนึ่งที่จะตามให้ถึงพุทธะตัวจริงได้แก่ความรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราที่เรียกว่าใจใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีเครื่องมือจับไม่มีเครื่องมือตามตามไม่ทันเพราะกิเลสเร็วยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนๆสติสตังเราตามไม่ทันจึงต้องอาศัยทำเป็นเครื่องยึดเช่นพุโทโธพุธโทโธ กำหนดให้รู้อยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่ต้องคิดต้องอ่านคาดหมายมรรคผลนิพานที่ไหนนอกเหนือไปจากคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นนี้เท่านั้นหรือกำหนดอนปปานสติให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกโดยเฉพาะไม่ต้องคาดผลว่าจะเป็นอย่างไรแต่เหตุได้แก่การกำหนดนั้นอย่าลดละนั่นแหละเหตุนั่นแหล ะ, หหละที่จะทาให้เกิดผลขึ้นมา จนเป็นความสงบภายในจิตใจเมื่อกําหนดนานเข้านานเข้าด้วยความสืบต่อกันของสติลมหายใจจะค่อยแผ่วเบาเข้าไปโดยลําดับลํำดับ ล, ลมหายใจแผ่วเบาเข้าไปนั้นคึงทราบว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้ละเอียดเข้าไปจนกระทั่งลมหายใจหมดไปในความรู้สึกนับแต่ขั้นหยาบเข้าไปถึงขั้นละเอียดต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปจนถึง ขั้นที่ลมหมดไปจากความรู้สึกนั่นกิจละเอียดมากลมก็หายไปแล้วอยู่กับความรู้เมื่อลมหายไปแล้วไม่ต้องตามเช่นอย่างพุทธโธก็เหมือนกันบวิกรรมเข้าไปจริงๆคําว่าพุทธโธกับความรู้หรือกลมคืนเป็นอันเดียวกันเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเนี่ยตามไปตามไ ป, มไปรอยโคกับตัวโคเลยเป็นอันเดียวกันก็ไม่จําเป็นจะต้องตามรอยโคตัวไหนอีก มันถึงตัวของมันทั้งพร้อมทั้งลอยมันก็อยู่กับเท้ามันอยู่แล้วนะทำบริกรรมทุกคกําก็ก็เพื่อจะตามให้ถึงตัวจริงได้แก่พุท ธ, ธะคือผู้รู้หรือใจของเราเนี่เยเมื่อถึงเข้าถึงจุดนั้นแล้วจิตก็หยุดนิ่งมีแต่ความรู้ที่เด่นให้อยู่กับความรู้นั้นในเวลานั้นอนัปานสติเมื่อลมหมดไปหมดก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์อันใดให้อยู่กับความรู้ ผู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นนั่นแหละคือหลักนั่นแหล ะ, หละถ้าจะเทียบว่าโคก็คือตัวโคไม่ต้องมิตกวิจารณ์ว่าลมหายไปแล้วจะไม่ตายหรือนี่ส่วนมากมากจะทําการร บ, บนวนเจ้าของด้วยเหตุ น, นี้พอเกิดความมิตกขึ้นมาว่าลมหายไปแล้วจะไม่ตายหรือเท่นั้นนั่นก็เป็นการกระตุกจิตที่สงบละเอียดนั้นให้หยาบขึ้นมาลมหายใจที่ หมดไปในความรู้สึกนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเสียแล้วภาวนาทุกครั้งก็จะไปถึงจุดกลัวตายนั่นแหละพอลมหมดไปในความรู้สึกก็กลัวตายนักถึงแค่นั้นไปไม่ถึงไหนเพื่อตัดปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเมื่อถึงจุดนั้นแล้วคือจุดที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นแล้วทาความรู้สึกกับตนว่าอะไรจะหมดไปก็ตามเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี่แล้วไม่ตายเท่านั้น จิตก็ปล่อยไปหมดเหลือแต่ความรู้ร้วนวนนี่คือผลในการภาวนาใจได้รับความสงบเมื่อสงบเป็นผลแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องความภาคเพีเรยรความเชื่อความน้อมใสในการที่จะประกอบให้ในกยจิตตภาวนาของตนให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เองกกว่านี้มันเป็นไปเองเมื่อได้เห็นผลแล้วทําไมทําไม่เกิดความบูสาหพยายามนี่การฝึกหาจิตเป็นของยาก เพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสไม่พาให้ง่ายแหละอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าทําแล้วกิเลสต้องเป็นค่าสุดทั้งนั้นส่วนหยาบกิเลสก็ทําส่วนหยาบกิเลสตัวหยาบหยาบนั่นแหละมาเป็นค่าสุดทําส่วนกลางกิเลสส่วนกลางก็เป็นค่าสิดต่อสู้กันอยู่ตลอดทําละเอียดแค่ไหนกิจละเอียดแค่ไหนกิเลสก็ละเอียดแค่นั้นตามกันไปแต่สุดท้ายก็ไม่พ้น สูปัญญาสู้สติปัญญารมไม่ได้สติรรมปัญญาธรรมขุดค้นลงไปวิรยิยะธรรมขันติธรรมอดลงไปทนลงไปเพราะเราเคยอดเคยทนมาแล้วกับเรื่องทั้งหลายไม่ว่าทางส่วนร่างกายหนักเปาเก็บทุกข์ลำบากขนาดไหนเราก็เคยทนนี่ทุกข์ลาบากเพราะการประกอบความผ้าพเพียนมันก็เป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่เป็นแต่ว่าทุกข์ประเภทนี้เป็นทุกข์ที่จะให้เกิดความตุก อันทสมบูรณ์ภูมิผลขึ้นมาพายในใจของเราจึงเป็นทุกข์ที่ควรอดทนทนควรคว ร, ควรมีความภาคเพียรไปเดิมนะ่ะเอาจนจิตมันมีความละเอียดเข้าไปโดยลํำดับกิเลสมันละเอียดจิตละเอียดกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปข น, นาดตามกันไปเองในเบื้องต้นกิเลสมันผาดโผนมากเพราะมันมีกําลังมาก เราจะประกอบความาพักเพียนชนิดใด จ, จะต้องถูกขัดถูกขวางถูกหยีดถูกการดึ่งนั่นแหละไม่อยากให้ทำพอเราพยายามผ่านอันนี้ไปได้เอาส่วนที่มันยังเหลืออยู่มันต้องแสดงการต่อสู้ให้เราเห็นอย่างชัดๆัดอย่างเปิดเผยภายในความรู้สึกของเราถึงขั้นละเอียดมันก็ต้องแสดงให้เห็นตามขั้นละเอียดของจิตตามขั้นละเอียดของธรรมของสติปัญญา ตามต้อนกันไปจนกระทั่งถึงมันไม่มีอะไรภายในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางจิตขวางใจใจก็โล่งไปหมดน่ะเราจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นค่าสุดต่อตั ว, ตวเองคือใจของเราเองใจไม่สงบก็เพราะกิเลสขวนใจสงบมากน้อยเพียงไรก็เพราะอำนาจของธรรมเรากำลังฝ่ายทำได้เท่านั้นพยายามทำจิตใจของเราได้รับความสงบยเยือกเย็น เห็นผลในการบวชบวชเข้ามาถ้าจิตไม่มีความสงบเลยจะหาความร่มเย็นไม่ได้หาความแปลกประหลาดอัศาจรรย์อะไรไม่ได้ในวงศาสนานจะเห็นไปว่าศาสนาก็ธรรมดาธรรมดาไม่เห็นมีพิเศษอะไรอาจคิดไปอย่างนั้นก็ได้หรือยิ่งผู้ที่มีความคิดหยาบช้า ย, ยิ่งกว่านั้นยังจะดูถูกศาสนาไปซะอีกเลยไปเป็นผู้มีอํานาจวาสนาไป ค่อยให้คะแนนไปค่อยตัดคะแนนศาสนาไปเสียแล้วความจริงนั้นมันผิดทั้งไผ่เพราะเหตุไรศาสนาจึงมาเป็นของแปลกไม่เป็นของอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสนาทําไมเป็นผู้แปลกเป็นผู้อัศจรรย์เหนือโลกเหนือจงศาลโลกทั้งหลายกราบไหว้บูชามาตลอดเห็นใดเรามาปฏิบัติบวชในศาสนาเข้ามาปฏิบัติธรรม ยึงไม่เห็นธรรมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อะไรเลยก็เพราะเรามีแต่ของเร็วๆก็เข้ากับของอัศจรรย์ไม่ได้เขาบอกความเพียรก็มีแต่ความเกลียดคร้านความขยันไม่มีความเกลียดคร้านมีเต็มหัวใจกิเลกก็มีเต็มหัวใจนั่นแหละถ้าความเพียรพยายามมีเต็มหัวใจธรรมะก็จะเริ่มเต็มหัวใจไปเรื่อย จันหนีจากกิจผู้รับสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายนี้ไม่ไม่ได้คําว่าสมาธิธรรมที่เขียนไม่ตามแบบแผนตำหนักตาําราหรอะคือความสงบร่มเย็นเราก็ได้ยินแต่ชื่อของอดของธรรมนั้นเสียองค์ของธรรมแท้องค์ของสมาธิแท้ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ใจเพราะการกระทําของเราเราก็ไม่ได้กระทําพอที่จะให้เป็นความสุขความสงบขึ้นมาเสียมันก็ไม่ปรากฏคําว่าปัญญา คือความใช้เลียวขนาดความแหลมคมความละเอียดละอความเลือกซึ้งของปัญญาที่จะขุดค้อนกิเลสทั้งหลายออกมาทําลายให้แหลกแตกกระจายไปปัญญาของเรามันก็ไม่มีเสียมันทื่อไปเหมือนมีดทั้งสันเนี่ยอาสันฟันลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดเอาข้างมันตีลงไปมันก็ไม่ขาดถ้าไม่เอาคมลงมันก็ไม่ขาดปัญญาต้องเป็นทางคมพยายามคิด ค้นคว้าอยู่เสมอในวงแห่งกายนีนะ่สัจธรรมอยู่ที่นี่พิจารณาเรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนทุกทางกายนี่เป็นธรรมดาใครๆก็มีพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีแต่ทุกทางใจนั่นเป็นสิ่งสําคัญมากนั่นคือตัวสมุทัยได้แก่กิดเลสถ้าให้เกิดทุกทางใจทางร่างกายนี้ไม่สําคัญเที่นี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่มีอยู่ วงสัจธรรมนี่แหละเป็นวงนับรองมักผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากนี้สติปฐานสี่สัจธรรมทั้งสี่เป็นความจริงเสมอกันแต่เป็นอาการที่แสดงแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นความจริงอันหลักใหญ่จะแทบเป็นเหมือนกันพิจารณาเรื่องสัจธรรมก็ถูกสติปฐานสี่พิจารณาทางด้านปฏิปฐานสี่ก็ถูกสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเป็น เครื่องบุกเบิกมรรผลยิพง่านด้วยการปฏิบัติในธรรมสองประเภท้าจะทํามสองประเภทคือมรรคได้แก่การดําเนินเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราหรือโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่ามรรคเป็นเครื่องบุกเบิกวิเดชทั้งหลายที่มันหุ่มหอติิตใจนะให้มืดมิตรปิดตานั้นจางประโดยลำ ด, ำดำับๆจนมาสั้นหายไปวิเดชหายไปมากน้อยทุกข์กระดับไปโดยดลำ ด, ำดำับเป็นเรื่องของนิโรธ นิโรดนั้นเป็นเพียงกิยาอันหนึ่งซึ่งเป็นผลของมรรคข้อสำคัญก็คือมรรคนั่นแหละเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีสิ่งใดการเวลาสถานที่ที่จะมาปิดกั้นมรรคนิพพานมาให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบงังการสถานที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ปกปิดจริงๆก็คือตัวกิเลสได้แก่ตัวสมุทยัยคาวมัตั์นิหาภาวะนิห า, ะ ว, ะหาวิภาวะัิหาเป็นต้นนี่แหละตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้มีถ้าใช้มรรคดังที่พระพุทธเจาา้าตรัสมรรคชิมาปฏิปทาคืออะไรมีอาการแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกร ป, ปรนี่หมายถึงองมปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันโต น, นี่เป็นเครื่องใช้ของสติปัญญาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิไปโดยลาดับเมื่อมีปัญญาครอบแล้วสิ่งเหนี้ก็ดําเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามถ้าขาดปัญญาสติปัญญาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่า น, นี้ก็ทิ้งไปอย่างนั้นเหมือนกับเครื่องมือไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบยกขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับเครื่องมือนั้นๆ การงานนั้นๆันี่ท่านอยากมัชที ม, มานี่แหละคือเครื่องมือเป็นอบุเบิกมรรคผลิพันให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามรรคผลนิพันธ์แท้มาอยู่ที่ไหนอย่าไปฆ่าสถานที่นู่นที่นี่การน้นเวลานี้อยู่ที่หวัวใจนั่นแหละความรู้นี้เวลานี้กิเลสเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบงำเป็นเจ้าอํานาจบังคับอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมเข้าไป บุกเบิกแก้ไขถอดถอนชำระล้างไปโดยลำดับลำดับสิง่งนั้นก็จะค่อยจางไปจางไปธรรมจะมีอานาจขึ้นโดยลำดับจากความเพียรของเราที่ทำไม่ถอยไม่ลดละธรรมะสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองว่าอ๋อสมาธิแท้เป็นอย่างนี้นะปัญญาคือความเฉียวฉลาดในการประหประหารกิเลสทุกประเภทเย่อมจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นลาดับลาดับ จนกระทั่งท่านพูดแบบวิมุตต์หลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนก็หลุดพ้นที่เคยถูกผูกถูกมัดนั่นแหละหลุดพ้นที่ใจอ๋อคําว่าวิมุตต์แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อเป็นอย่างนี้เหรอวิมุตต์นั่นเวลาเจอแล้วเจอที่ไหนก็เจอที่ใจนั่นแหละไม่เจอที่อื่นทำคำว่าวิจิตรเป็นมัชชิมาเสมอต้นเสมอปลาย เป็นความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรียวว่าแหลมไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้พราะเหตุดเพราะกิเลสก็ไม่เคยว่ามันเรียวแหลมไปไหนมันก็คงเส้นคงวาตามหลักความกินของมันรมก็เป็นทมคงเส้นคงวาเพื่อแก้กิเลสเช่นเดียวกันเมื่อนำมาแก้ทำไมแก้ไม่ได้กิเลสประเภทไหนที่จะผ่าผลยิ่งกว่างพระพุทธเจ้ า, จาไม่มี กิเลสทุกประเภทถ้าพูดถึงเรื่องผ่าผลผาดผลเหมือนกันหมดผาดผลแต่คนลด้านและทางไม่ว่าจะอยู่ในใจดวงไหนครั้งใดสมัยใดเป็นกิเลสประเภทเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในหัวใจเหล่านี้จึงไม่จําเป็นจะต้องออกไปเอาการเอาสถานที่เวลาเวลามาช่วยมาแก้แก้ไม่จกถ้าไม่เอามัชฌิมาปฏิปทาเข้าไปแก้เท่านี้เข้าไปแก้ไม่ว่าแก้อยู่ที่ไหนกับบุคคลผู้ใด ก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือคารวะแก้ได้ทั้งนั้นพ่อขี้เด็ดจะแท้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นขิ้เด็ดอยู่ในตัวของมันเองทำก็ไม่นิยมว่าหญิงว่าชายเอาไปใช้ได้แก้ได้นี่และหลุดพ้นไปได้ด้วยกันนั่นแหละนี่ความจริงแท้อยู่ที่ตรงนี้เราอย่าไปตื่นเงาเห็นมรรคผลมิพานหมดเฉดหมดสมัยแล้วทำสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้คนที่ว่าอย่างนั้นคือคนไม่ทำเขาไม่สนใจในอดในธรรม ก็เหมือนกับคนตาบอดอะสีแสงอะไรไม่มีนั่นแหละทีนี้เราตาดีเห็นอยู่ทนโท้ว่าไงสีเป็นยังไงรูปสิ่งนั้นเป็นยังไงลักษณะสิ่งนั้นเป็นยังไงสีแสงมันเป็นยังไงตา ด, ดีเห็นอยู่ชัดๆเราจะเชื่อคนตาบอดได้ยังไงเชื่อไม่ลงคนตาดีย่อมเชื่อคนตาบอดไม่ลงจะปฏิเสธทักเท่าไรก็เป็นการขายโง่ตัวโดยลาดับๆไม่มีใครอยากฟังอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ว่ามรรคนิพพานไม่มี ทำเท่าไรก็ทำเถอะสมัยนี้มรรคผลนิพพานหมดแล้วนั่นคือคนตาบอดไม่เคยสนใจกับอัดกลับทำกับมรรคผลนิพพานอะไรแล้วมันจะไปเจอไปเห็นมรรคผลนิพพานอะไรผู้ที่กรอบ ก, กลัวมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมีอยู่ด้วยข้อปฏิบัติของท่านเองสนใจของตัวเองน่ะผู้นี้แหลเป็นผู้จะสร ง, งมรรคผลิพพานความขี้เกียจขี้คลานความไม่ชนใจในอดในธรรมในการแก้ใการตัด ถ, ถอนตัวเองนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะกิเลสจะไปแก้มรรคผลนะิ แ ก, แก้ตัวเองให้เป็นปนักปฏิญญาให้แก่เราได้อย่างไงต้องเป็นธรรมฝ่ายแก้ฝ่ายฆ่าสึกผู้แข่งกันกับพี่ต่างหากเป็นผู้ปราบปรามซึ่งกันและกันเึื่อจะเห็นผลปรากฏขึ้นมาที่ใจเอาตรงนี้ผู้ปฏิบัติอย่าไปหมายที่นั่นที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่โน้นที่โน้นอันนั้นเป็นไปตามการตามสมัยตามอุปนิสัยของบุคคลในขั้นที่ควรเชื่อไปอนั้นก็เชื่อไปเสีย ไม่ปฏิเสธเอพระพุทธเจ้าไม่ไม่ปริพันธ์ที่เมืองอินเดียเมืองกุชินาลากุชินาลาัย mm. ปฏิพันธ์เวลาเท่านั้นเท่านั้นไม่ปฏิเสธเป็นความจริงตามสมมุตินั้น mm. แต่ท่านปรพิพันธ์นานประเดี๋ยวมรรคผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้รื้อได้ถอนไม่ได้กรอบกลวยอมรรคผลนิพพานไปด้วยดังที่ท่านอพระอ น, นุทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปริิพันธ์ ไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจึงจะหมดนแต่ลราท่านก็รับสั่งสำทับเอาเลยทำไมจึงถามแบบงงๆอย่างนี้ล่ะทาทั้งมวลที่เราสั่งสอนไว้นี้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นการสลายลงไปแห่งธาตุขันหรือการปฏิพานของเรานั่นเป็นเรื่องของเราเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วย พอทีะวิโตวิจารถึงหลวงพ่อปิพันธ์ว่าจะติดตามมาไปหมดทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราสั่งสอนไวแล้วนั่นแหละคือศาสดาแทนเราจะถากตเพื่อเธอทั้งหลายถือหลักนั้นเป็นเกณฑ์ก็เหมือนกับถือศาสดาเป็นแนวทางตลอดเวลานั่นแหละนี่แหละเป็นที่ตัดสินกันที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้เอาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อย่าไปบูชาหมอนพระเราไปบูชามาหลายวันหลายปีหลายเดือนแล้ววันนี้ให้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเอียบทสามลองดูยืนเดินนั่งภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความภาพเพียนของตนสมกับว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านประริพานหรือท่านตรัสรู้หรือท่านประสูตรน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราผลจาก การประสูิการตรัดสรนปกาศปริหาริ์ของพระองค์เต็มกำลังความสามารถของเราในคืนนี้การแสดงธรรมก็ยางมาสมควรขอยุตกีเพียงเท่านี้